กายกรรมวจีกรรมที่เป็นอาการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่ากายวิญญัติการเคลื่อนไหวของวจีวจี พอรับพอรู้พอรับได้แล้วเขาก็จะพออ่านออกว่าอ๋ออย่างนี้อย่างเอ็งเองในคุณสมบัติของชาวบุญนิยมเป็น กรรมนัตวาจาซึ่งมาจากระบบของความนึก คนที่มีภูมิปัญญาจะอ่านอ่านออกว่าโอ้พวกนี้ทําอาชีพ กลบเกลื่อนตัวเองๆเลยหน้าด้านหน้าทนทําทั้งทั้งที่ทั้งก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ยังทําอยู่สลัปนานั้นทําแล้วก็มีภาษาโวหารมีคําพูดซึ่งเดี๋ยวนี้นิยม จริตมัน อยู่ในภาวะสํารวมสังวรปฏิบัติธรรมมีการ ศีลเนี่ยมันมีผลทั้งภายนอกภายในเป็นบาตรฐานของการ ที่ก็บอกไปแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่สังวรระวังประกาศไปว่าเรามีศีลหน้า อ่าแต่ปฏิตุสมาธิก็ต้องไปที่เอ่อทั้งจริงๆแล้ว มันได้หมดไปถึงใจนั่นแหละสําคัญให้จริงๆทั้งจิตเลยไม่ ที่มาติสูตร 24 คนหนึ่งกับ 208 นะท่านจัดไว้ชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้เพี้ยน เนมิตตกตาอาชีพ 3 หมายความว่าเป็นอาชีพที่สังวรระวังเนมิตกะเนี่ยแปลว่าการเสี่ยงโชคการ อ่าโดยแต่ละคนก็มีศีลบาทฐานอย่างต่ํา må ju kumul, inte tångsåsomgänstong, kock, en person som inte har rikedom, inte av en som är i mitten, i mitten, som är i mitten, som är i mitten, som är i mitten, som är i mitten, som är i mitten, som i som som อวดโกอวดรู้อะไรเพิ่ลเฉยๆเล่นๆไม่ใช่แต่เราทํากันอย่างเป็นชีวิตจริงของมนุษย์จริง ผลของอาชีพที่มิจฉาชีพ 5 เนี่ยกุนาลัปปนานิมิตกัตตานิเปสิกัตตา 5 ขั้นขั้น 2 ขั้นนี่เรามีรูปธรรมมีสิ่ง เป็นคุณะราศีซึ่งเป็นคุณสมบัติ กรกรโลกทํางานรับใช้โลกเป็นปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุคัมปายะอยู่จริงๆคําพูดที่อาตมามาใช้นี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าแท้ มั่นใจไม่ใช่เป็น 20 30 40, 40 ปีเท่านี้แล้วพวกเราก็ยังมีสภาพพวก นิพพัสสิกตาเราหมอบต้นอยู่ในทางถูกหมู่คลุมที่ถูกหมอบในทางผิดคืออย่างคือเรายังงานมีผลรับใช้คนที่ยังไม่สุจริตรับใช้คนที่ยังเอาโลกหรือรับใช้คนที่ยังเป็นโลคีอย่างนี้เป็นเป็นนิพพัสสิกตายังยังไม่ถึงขั้น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 แต่เรามอบตัวในทางผิดเราจะเป็นนี่นี่เบสิกกับตาที่ ปฏิบัติอาชีพที่ไม่ 5 ศีล 8 ศีล 10 ไปตามลําดับก็ตามถ้าเราสามารถ ก็ไม่เอาเปรียบไม่ไปทุจริตอะไรตามมีตามได้ที่อันควรเป็นตามฐานะนะเป็นอาชีพส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเป็นอาชีพรับใช้อัน ดึกเครินจริงๆละน่ะยิ่งในทางธุรกิจสารพัดยาก จึงงึงต้องทํางานส่วนตัวอาชีพส่วนตัว 2 มาอยู่กับหมู่ชาวอโศกมี 2 ทิศมี 2 ทางต้อง บฏิสัตนั้นบฏิสัตนี้ยังเป็นข้าราชการยังเป็นอะไรอยู่ข้างนอกตัวเค้า 5 ลาภเนน คือทํางานฟรีทํางานไม่เอาสิ่งแลกเปลี่ยน ดาวโศกเนี่ยจึงเป็นหมู่ที่มีคุณภาพในระดับพ้นมิจฉาชีพ มาอ่านผลดูที่อาตมาพูดไปแล้วนี่ <c oughs> ก็นานมาตั้ง 20 30 40, 40 ปีแล้วกลุ่มหมู่คนพวกนี้มีสมาคมจริงของ ที่มีพฤติกรรมอยู่ในสังคมนั้นเป็นจริงได้แค่ใดนะอาตมาก็พูด ต้องเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณวิเศษเพราะฉะนั้นบุญนิยมนี่เราไม่ได้มาพูดเล่นอุตตรมนุสธรรมหรือดู mångt jag inte jag är inte jag är inte jag är inte jag är inte jag är inte jag är inte สามารถทายใจสามารถซึ่งเป็นความหลง พระตปิโลกิ้มกาบพระเจ้าท่านก็ตรัส เทศก็เทศก็เรื่องของเขาถ้าจริงก็จริงเรื่องของเขาก็แค่ คำสอนท่านนี่อาตมาเอาคำสอนพระเจ้ามาเช็คมาตรวจทั้งจะเอ่ออินเสิร์ตออกไปให้ทางบ้านเค้าดูเค้าอะไร ไม่ต้องดูหน้าอาตมามากก็ได้เสียงอาตมาก็พูดอยู่ตลอดหน้ายังไงมันก็ ของพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมน่ะที่เป็นคุณธรรมซึ่งอาตมาก็พูดดูเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเป็นเป็นได้ ยุคนี้ก็เป็นได้นี้ก็เป็นได้เป็นอกาลิโกมาดูได้เอหิปสิโกจริงพูดจริงรู้สึกว่าอวดใจเลยนะ ตกต่ําอย่างมากนะพูดไปแล้วก็เหมือนพูดไปน่าน้ํามันไส้อ่ะพูดไปก็แหมทํา เข้าใจไม่ได้กันแล้วยุคของพระพุทธเจ้าที่เป็น 2600 กว่าปีธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดมามันก็ผิดมาเป็น ก็ฟังไม่ได้ต่างๆเพราะคุณคือคุณวิเศษของธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องสามัญที่ ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคุณประโยชน์ที่มีทานมีศีลมีภาวนาขั้นโลกุตระ เรเราก็ให้พวกอื่นตั้งตั้งแต่เรามหาบจนเราไม่ค่อยมีสมบัติมากหรอก มีน้อยก็เอาออกมาไม่สะสมไม่กอบกอยมีพอเพียงแค่นี้แล้วก็มาร่วมกันให้แก่สังคมทานแก่สังคมให้แก่สังคมฉันเราก็ทํากิจกรรมอะไรอยู่แม้แต่ประจําวันธุรกิจพาณิชย์เราก็พยายามให้ไม่ใช่มานั่งเอา ทำตลาดอริยะพยายามให้น้อยที่สุดโดย พออีห่านถึงเค้าเข้าใจการกิจทุนน่ะมันต้อง แต่ค่าตัวแต่คนจะได้ตามสามัญของทั่วๆไปเป็นอัตราของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยแต่ ให้ก็ให้อย่างมีเล่ห์เหลี่ยมที่ 1 ใหใหของมรรคองค์ให 8 เนี่ยมรรค 1 นี่ทำทานทุก ปิ๊ดๆๆๆเข้าไปต้องพูดอยู่อย่างเงี้ยแม่มันรู้สึกจริงๆรู้สึกเกรงใจว่าเรานี่ไปว่าเค้าพูดไปว่าเค้าแล้วว่าแล้วมันไม่ใช่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 จิตไม่ได้ล้างความโลภความอยากเอาจะเอาคืนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราให้ไป ให้แต่ความโลภสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เป็นคุณวิเศษจึงมิแม้ทําทาน เป็นผลทางโลกุตระปฏิบัติศีลยังไงจะเป็นโลกุตระก็คือเป 1 2 3 4 แต่ละข้อก็ จิตของเราไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายทําลายเอ็นดูเมตตาเกื้อกูลจริงมันเป็นจริงนะจิตมัน ดังคือศีลมีเป็นโลกุตระที่แท้จริงเกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลเดี๋ยวนี้แม่ก็ทั้งว่าศีลก็อย่างหนึ่งทั้งได้ภาวนา ผลอะไรผลจากการปฏิบัติฐานผลจากการปฏิบัติศีลเป็นผลธรรมที่เป็นโลกุตระธรรมเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะที่ลดละกิเลสจางคลายหน่ายคลายได้จิตหรือดับกิเลสได้จริงนั่นเรียกว่าภาวนามัยพอ ภาวนาคือการไปหมดนะภาวนาคือการเกิดผลทางจิตเป็นที่เกิดผลที่ท่านแปลเป็นภาษา ก็คือการปฏิบัติบูชาเนี่ยสงฆ์ที่บูชาแล้วปฏิบัติบูชาแล้วเกิดผลทางจิตจิตมี är อุตังอัตถิอุตังนะนี่คือ Det ของโลกุตระทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่แค่ Radjupen kunde på jord, timikun ka, ka och kan tam som det tungt i. För det var tamna som det tungt i. Tan gottungt i, sen gottungt i. Powernaga, då sa vi, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, då gottungt i, สรรพคุณวิเศษนั้นจริงแล้วก็ตกผลึกผนึกลงไป แล้วของกิเลสสันดานๆด้วยเพราะงั้นผู้ที่มีออกโอ้เรา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 เพราะงั้นผู้ใดตรวจสอบยิ่งเห็น ปุริสภาวะตังจังอิทธิภาวะภาวะคือการปรากฏสภาพอาการของอิทธิอาการของปุริสะอันออก อิทธินี่เป็นเชิงภาวะทั้งอิทธิินทรีย์หรืออิทัตตะอะอิทธิอิตะหรือปุริสสาก็ภวะของอัตตะหรืออัตตา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 นับว่าเข้าขั้นขั้นที่เราปฏิบัติกันเข้าถึงขั้นบุญขั้นบุญขั้นชําระกิเลสได้จากสันดานเรียกในภาษา นะคนแล้วกิเลสลดลงได้บุญบุญที่ลดลงเห็นส่วนลดลงไปเรื่อยๆเป็นส่วน พระการณ์การได้บุญที่ต้องเข้าใจบุญให้สําคัญให้ถูก ทำบุญไม่ถูกได้บุญเป็นบาปกันไปเยอะอาตมาไม่ได้ใส่ความ พอมันมีทางเลี่ยงต้องพูดต้องเปิดเผยต้องขยายกันนะ นั่นนี่เราขึ้นต้นคําอุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอยู่ แต่พระ 2600 กว่าก็เก่ามาแล้วก็เก่าในยุคของพระพุทธเจ้านั่นน่ะ ศัพท์ที่ถูกต้องคําว่าบุญคํานี้จริงๆนี้เป็นสัจจะที่มันจริงจริงตัวมันเองเลยมันทันสมัยทุกยุค ยังไม่รู้เรื่องเพราะมันล้ํา 30 ปีในเมืองไทยนะแต่ไม่แน่ เครื่องงมงายอยู่แต่ในเรื่องอะไรก็อยู่อย่างเก่าๆอยู่ 30 40, 40 ปีแล้วด้วย เห็นผลอยู่ได้พ้นอยู่แม่จะไม่ดูสำนักนั้นสำนักนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอกิเลสมาหลอก ที่คนจะท่าได้ยังไงๆแต่ๆนะยาก พยายามไม่ตายง่ายๆใครจะว่าไงก็ว่าเอ่อจะพยายาม นำล้ํายุคล้ําสมัยโอ้โหคนนั้นนําสมัย พวกเราเนี่ยเป็นคณะแฟชั่นชั้นหนึ่งนะเดินแฟชั่นกันเกลื่อนทุก ฉับๆช้าๆอบายมุขอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ๆอย่างนั้นเป็นแฟชั่นที่ประเสริฐเป็นแฟชั่นขั้นอารยธรรมอารยชนจริงๆ คดทวินหานะจุกนี้แหละคนทุกวันนี้ก็ทวินหาพยายามที่แสวงหาคนกูลเสียสละแก่ จะมีมากมีน้อยอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ๆเนี่ยไม่ว่าใครหรอก ฉะอาตมาว่าอาตมาพาธรรมะเป็นจริงได้พอสมควรบุญนิยม ที่เป็นบุญญนิยมเนี่ยนะเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมเป็นคุณวิเศษที่สุดยอดเลยผู้มีสุขสุขแบบบุญญนิยมเนี่ยเป็นวุปปสโมสุขหรือ เพียงกับสุขโลกีย์มันไม่ใช่สุขเดียวกัน พหุชนหิตายะทําคุณทําประโยชน์ให้แก่มวลชนเป็นอันมากเป็นผู้สร้างความ ให้แก่ทนเป็นอันมากเพราะโหชนะสุขายะเพราะเป็นคนรับใช้โลกเป็นคนรับใช้ เพราะเราอยู่ทุนนิยมกันมีระบบบุนนิยมขึ้นมาจนถึง เขาฆ่ากันเองทุนนิยมน่ะเค้าแย่งกันเองเค้าก็ดูดกันเองคนรวยคนไหนรวย คนนึงให้คนนึงเอามันสบายให้เค้าเค้าก็สะสมไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารักอะไรเพราะจึงไม่ แต่พวกทุนนิยมเขาเองนั่นแหละเค้าก็สัตว์กันแย่งกันใช้ ขอภัยพอระบบทุนนิยมก็จะเกิดยังไงยัง เพราะอัตราการก้าวหน้าของโลกทุนนิยม อะไรตกตะกลามอะไรเท่าที่เราทําได้อุตสาหะแต่บารมีของอาตมามันน้อยมันต้อง จุดเปลี่ยนภาวะอ่าเดี๋ยวว่าจุดเปลี่ยนภาวะจุดสันดาบจุดชวาลจุดเปลี่ยน ทั้งวัตถุทั้งนามมันทําจุดเปลี่ยนจุดระเบิดมันเปลี่ยนนะไปตามระดับที่มันเป็นระดับค่อยๆๆเรียบร้อยเป็นขั้นเป็น ทางโลกส่วนใหญ่เค้านี่เค้าจะช่วยจุดชวาหรือ critical point หรืออะไรเนี่ย critical นะมัน อะไรนะเทิร์นนิ่งพอยท์เทิร์นนิ่งพอยท์เอ่อจุดที่เปลี่ยนสถานะไม่จุดไม่ใช่มันคริติคอลพอยท์คิดอะไรมันอาตมาก็ไม่ชัดเจนไม่ตักเท่าไหร่นะจุดเปลี่ยนนะจุดทําจุดสภาพการ <turning point> อะไรเงี้ยอ่ามันเป็นจุดเปลี่ยนความร้อนเท่า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 jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag är inte komma. Jag kan inte komma. Det är inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag kan inte komma. Jag Jag kan inte komma. inte Jag inte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 การได้คนที่เจริญพัฒนามาเป็น 10 ใบอาตมาว่า 10 ใบ Gayn reddet vrild som är kommuner som är kommunerna, men bara också kommuner är kommunerna. Det värde refä worries under Makar ini, är det över smylen, har inte det härって förra Men ur sk juvenile, vi har att buffom laser och då tillbana då strat. eller förra sig en är de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 และสดเป็นระบบที่คุณคนๆทุกสมัยเป็นคุณค่าตลอดกาลนานนะไม่ได้เป็นเรื่องล้าสมัยเลยตลอดไรก็แล้วแต่ ถ้าใครศึกษาจากพุทธศาสตร์ได้จริงๆสมาธิๆแล้วก็ปฏิบัติให้สมาธิ มันไม่มีพ้นเป็นบุญแล้วแม้แต่คําว่าบุญมันก็เข้าใจกันผิดๆผิดๆที่บุญนิยม เพราะว่าการศึกษาพุทธศาสตร์ศาสตร์ะความรู้ทางศาสนะในยุค อย่างที่เรียกว่าโอ้โหแก่งอย่างลาบยศกันไม่อายไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเลวไร้ที่ขึ้น จริงๆๆรู้สึกจริงๆต้องขออภัยนี่ไม่ใช่พูดเล่นลิ้นอะไร มาเอาบุญทำบุญทำบุญเพราะคำว่าบุญอยู่เนี่ยอาตมาก็คิดว่าหลายคนก็คง ไอ้จะเอามาบอกว่าเอาบุญไปทําบุญกันนี่มันทําแต่บาปขยายความคําว่าบุญกับบาปตรงนี้กันอีกทีซะชัดบุญ นั่นคือได้บุญไม่ใช่ไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญไม่ได้ไปได้โลกียะ ฟังตรงนี้บุญไม่ใช่การสบายใจที่ได้เสียสละไม่ใช่บุญนั้นถ้า บึกบานใครก็ชมเชยใครก็ว่าโอ้ดีจังใจดีจังเป็นคนเอ่อใจบุญสุนทานเป็นคนอะไรก็ได้หน้าบานสุขสบายคือได้สภาวะโลกิยะภูมิเป็นโลกิยะธรรมเนี่ยมันไม่ใช่บุญเลยแต่ <bark> บำเรอกิเลสเพิ่มทั้งโลกียารมมันไม่ใช่บุญเลยหนากิเลสอ้วนโตกิเลส เพราะฉะนั้นทําบุญทีไรได้กิเลสทั้งนั้นเลยอย่างน้อยก็อุปกิเลสคือดีใจทางโลกิยะนี่อุปกิเลสมีปิติที่ได้ทําบุญที่ได้เป็นโลกุตระนะแล้วคุณ โสมนัสน่ะเป็นสมในคมะโสมนัสสิตะเนคมะโสมนัสเป็นสมเป็นเนคมสิตะโสมนัส i chanser, kunnar du minska giljeterna? Samarbetet, och inte bara Det är inte det. är att i stillestånd och vara i stillestånd. Det är inte det. Det Det är inte det. Det att se Det är inte att se giljeterna minska, Det att är Det ท่านก็ให้ทํากิเลสอุปกิเลสตัวปิตินี้ลดลงอ่าให้มันมากขึ้นเป็นอุปเพงคาปิติต้องให้ลดลงเป็นพรณปิติให้ลดเบาบางเท่าใดยิ่งดีอย่างนี้คือความซับซ้อนลึก จงคนทุกเราคนทุกวันเนี้ยให้ยินดีในเกมกีฬาชนะให้ยินดีในเรื่องดาราเป็นผู้ที่โอ้โหรวยแฟนรวยคนนิยมชมชื่นดีใจพองใจประสบผลสําเร็จพวกนี้กิเลสอ้วนขึ้น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 การมีความฉลาดมีความรู้และฆ่าทางเอา ผลบุญกับบาปเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนไม่เป็นสมาธิตัดิแล้วก็ไปยึดยึด ปุฏฐุเนี่ยแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าใหญ่แปลว่ามากแปลว่าโตแปลว่าปุฏฐุเนี่ย เอาคําว่าบุญไปปนกับกุศลกุศลคือความดีทั่ว ตี่ราคาบุญที่เป็นโลกุตระธรรมเท่ากับราคาโลกิยะกุศลก็เลยมั่วหมดเลยลึกๆคนเรารู้ดีว่าบุญนี่มันราคาแต่บุญเนี่ยมันโลกุตระราคา เพราะงั้นลูกๆคนรู้ว่าบุญนี่มันดีกว่ากุศลจึง เป็นบาปจัดๆเป็นกิเลสหนักจัดๆไม่ได้เป็นกุศลด้วยซ้ําเพราะงั้นอย่าไปว่าแต่แค่บุญเลยมันไม่ได้บุญกุศลมันยังไม่ ไม่ค้าลาภยศชื่อเสียงกามสุคคลิกะเป็นทุนนิยม มันรู้ยากมันลึกแสวงบนคืออัตตากันชื่อแสวงบนคือสร้าง ก็ข้าอัตตาอัตตาคือนามธรรมการยึดเป็นตัวเป็นตนเพราะมันสิ่งของหยาบใน สันสนก็ยังเข้าใจเออสันสนก็ไม่เอายินเป็นกามกามสุขลิกะก็พอเข้าใจเออไม่เอานี่เป็นกามสุขันกามโศกเทศในกาม สัสอัตตากันยากอาราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาไอ้เคยรู้เรื่องกันแล้วแล้วไปเข้าใจว่าก็เข้าใจแล้วนี่อัตตามันไม่มีพุทธเจ้าก็ på att vara uppåtande, yttar det bara vara kamma annatta. Och han känner att han vet det, har det. Annatta. Men det är så svårt att veta. Kanalorar och är sammanlagda i en formel som är en känsla av känslor som är är sammanlagda med varandra och känslor och känslor som är är นะเพราะอัตคําว่าอัตตานี่มันเป็นความลําบากเป็นความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดกาลนานเรียกว่า ก็โลตะอัตกิละมตะด้วยด้วยความลําบากที่เป็นอัตตาที่เหลือเอ่อรูปรูปะอัตตาหรือว่าเป็นไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อาตมา เพราะว่าเข้าใจบุญกันเข้าใจเครื่องชําระยังไม่สมาธิทิยังปัญญาทิฐิกันยังเข้าได้เข้าอยากไอ้การได้อยากทุกสิ่งทุก การได้ตามใจอยากเลยโดยไม่รู้ใจคืออะไรได้ก็ไม่ อัตตาบำเรอยศก็อัตตามันซ้อนอยู่อัตตาเนี่ยมันเป็นอัตตทัสสุขที่ซ้อนกามสุขลิกะเป็นส่วนที่เป็นนั้นอุปอนาคามีขึ้น ก็เรียกว่าอุปปาติกะเป็นรูปภพอรูปภพจิตตัวเองเท่าๆไม่เกี่ยวเลยไม่สุกมา เมื่อแ Workersotков According to the ふอ chapter 17 .คุณ आPac wysla', kg. leaving What was ended? Changed? Yes. There was a neste qual attention to variety? And the be Exactly. stalled. When he said that With the drama Ouallini, he didn't have ало of challenges. He commented No. Dix the message for aadd Yes. and didn't have phen sharp and nature. We apparently have เนาค Instruments ฐานเกียรติเหล่ายอดไม่ต้องพูดถึงอรหันต์เอาแต่แค่อนาคามีก็ มัชฌิมาปฏิปทาก็เพียงคือจริงมันมีหลักเกณฑ์ของทางของภาคปฏิบัติเรียกว่าปฏิปทาแต่ไปแปลมั่ว หรือสภาวะของกลางจิตที่เป็นกลางนั่นคือมัชฌิมาก็ มีคุณสมบัติบริสุทธาปริโยทธาตามทุกลึกขึ้นๆเป็นอเนนชาที่มีวสีมีกําลัง เรื่องกลางมีขากลางกลางถ้ารู้จิตกลางๆจิตเราไม่เอียงไปข้างอัตตาไม่เอียงมาข้างกามเลยนี่ก็ มัชฌิมะมัจเฉปัจเฉมาปัจเฉมัชฌิมะนะมัจจมตมตอะไรมัจเฉ นะภาษาโดยเฉพาะภาษาบาลีก็มักที่ผิดไปถูกๆก็ต้องขออภัยนะ ทางโลกทุกวัน เอาอัตมรรคพวกนี้มาเลี้ยงตัวขายกินดีไปดีบางทีถึงบาปบาปเพราะว่ามันกิเลสมันสูงด้วยการได้เปรียบได้เปรียบเพราะว่าใช้ความรู้เนี่ยไปหากินแล้วก็ได้เปรียบได้ เรียกก็ยิ่งโตราคาของเราสูงเราเป็นนักบรรยายธรรมะราคาแพงราคาดีอะไรทั้งนั้นที่มัน ทุกวันนี้มันผิดไปจากความหมายที่แท้จริงของคําว่าบุญกัน พลังของทางจิตใดที่มันไม่ได้ชําระกามไม่ได้ เป็นภาษาที่รู้กันร่วมทั่วไปอยู่แล้วพลังงานเป็นพลังถ้ามันไม่เป็นลดกาม สละหมื่นล้านแสนล้านแต่ไม่ได้ล้างอัตตาไม่ล้างกามไม่ได้บุญไม่มีบุญเลยได้กุศลเท่านั้นได้แต่ความ ชาติหน้าคุณก็ได้คืนมาสัจจำไม่ได้โกงคุณหรอกคุณ มันเป็นอำนาจได้อย่างที่ทุกวันนี้เอาอำนาจ ใช้เงินนี่แหละทุกวันนี้เนี่ยก็เทวดาทั้งนั้นๆนะอาตมาไม่ เงินเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆมันอํานาจใหญ่นะ คุณเป็นนายทุนใหญ่มีเงินมากเพราะฉะนั้นนายคือนายทุน ไม่ใช่เทวดาหรอกที่จริงถึงแม้ว่าคุณจะดีเป็นเทวดาจริงถ้าคุณไม่ หรือ ยิ่งยุคขณะนี้อาตมาอ่ะสลัดตัวออกมาจากแอกของผีพวกนี้ได้แล้วจุกแล้วหลายครบและหลายอะไรนั้นโมเนี่ย ไล่กำลังทั้งพอได้แล้วยุคนี้ได้แล้ว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 บุญจึงไม่ใช่เรื่องของราบยอดซ้านเสริญโรงกียสrene ไม่ใช่เรื่องของการเรื่องอัสตารュежду เรื่องของการสระออกทั้งสิ้น hadn't shareholders today หม pour세� magical Jaime and ScheerDR 이� zaten beer ราบยอดซ้านเสริญได้สุด ah are� suspected of like this, อัสตารณ์ ruim cerialよね? 재orib thot was directly associated with helpless and threatened texted or neurociized freedom, 인 kilowatt were not illation. ton's Grid Vous account for abuse but obligationはatt Long i88 is stoneắm,דר I may live a kask cord,even though it could y Hertz e ck บุญมาจากบาลีคําฟังแล้วก็จะรําคาญฟังแล้วจํา รสโอ้โหรสดีนะคุณก็ฟังแล้วอาตมาว่าน่าจะ<อ> อัตภาพดูก็ไม่มากฉบับนักรบบาลีบาลี สันตานังก็สันดานปุนาติก็จำระวิโสเทติก็สะอาดหมดจดนี่อยู่ เมื่อเชื่ออาตมาอาตมาพูดนี่เค้าก็ เพราะงั้นแต่บพะปฏิบัติธรรมยังไม่มีผลสําเร็จอย่างที่ได้เป็นเนื้อ เหตุปัจจัยถูกตัวสภาวะแท้ของเนื้อแท้เนื้อธรรมจิตเจตสิกนั่นเองไม่ถูกตัวหรือเอกเนี่ยโดยโดยตนคนเดียวเองเรา ถ้าเราทำเราไม่ได้อย่าง อยู่อยู่ในเอ่ออัปอัปอภิอนัยะมะจะอิติวิตะสูตรอภิภายตนะเอกโกเนี่ยมีคําว่าเอกโกแต่อยู่ใน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 อันนี้ก็ลึกซึ้งน่ะอาตมาก็ไม่รู้ นะสรุปแล้วบุญไม่ใช่ให้เอาออกไปดลักษณะของจิตไม่ใช่จิตจะ เพราะนี่ต้องรู้อาการของจิตอ่าอาการแตกแตกสภาวะพลิพลิออกมาแตกสภาวะ konkun, prik ut från hjärtat. Hjärtat har prik ut. Och nu, på att hjärtat, då prik ut, är det en symptom som kommer att ta sig ut. Hjärtat har prik ut. Det är en symptom som kommer att ta sig ut. Det är en symptom som แล้วเป็นผลิตออกมาแตกออกมาเป็นผลิตผลเป็นผลิตออกมามัน ปฏิบัติยากไม่ค่อยได้มีผลิตผล วิปปยุตตังนะเพราะสภาวะองค์ประชุมของนามมาทําเป็นนามกับกายเนี่ยประชุมที่ได้ผลมัน ก็พิเศษชมพระออกได้ men vi kom med en sång. Men den blev vad vi sa. Tapsa, vi av dig. Man kan visa det. Man kan ta det. de kan ta det. Man kan <muchan> Man <muchan> Man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 เอามาจากสภาวะเอามาจากญาณปัญญาความรู้ของอาตมาแปลเจ้าเรียกว่าภาษานก ฟังคําบวิปปยุตอาตมาก็ จนมายุคนี้เปิดตัวจริงมัน โทรทัศน์ต้องใช้คําของเราเลยเพราะว่าเราหาเงินแทบตายเลยเอามาจ่ายค่า สคจ. คือสถาบันขยับวิทยาด้วยหัวใจแน่เทศะมิ สคจ. คงทําสัตย์อสงตั้งหลักได้แล้วปฐมโศกก็พอสมควรตอน ขายขยะโอ้ยโห้ยนักธุรกิจขยะสูงจริงๆนักตุรกีขยะขายขยะไฮโซไฮโซไม่เอา oh, แต่แต่ままไม่ใช่โลโซที่เขาเป็น สอนน่ะวันที่กระตอาตมาค่อยๆ น้ำอุ่นใจอุ่นใจโอ้โหโผสะเท่เลยจริงๆเท่จริงๆยมดีนะๆนะอุ่นเรื่องอะไรฮะอ๋ออุตสอ กิเลลมันเยอะขึ้นก็เลยอุ่นใจอ่ะแล้วกิเลลไม่ออกก็เลยอยู่กับมันอุ่นเอาเป็นการเอาออก มีกรรมกิริยาของจิตกรรมกิริยาของจิตไม่ใช่มันอยากได้มาให้ตนอยู่ อารมณ์อะไรก็ไม่เอาเข้าได้ดี ไม่มีกามไม่มีอัตตาบุญหรือได้ลดลงจางลงคลายลงก็ได้ส่วนของก็จบบุญจบ ตกไปไปตามลําดับนะประงานบุญจําภาษาสันตานังแปลคําแปลบุญว่า เอาคำแปลของเข้าเลยจําเหมือนกับคนสอบปริญญาเนี่ยจะต้องจําพยัญชนะพวกนี้ให้เป๊ะๆเลยผิดคําเดียวตกมา เถรวาทคลิ้งพยัญชนะเข่งพวกนี้มานี่โอ้โหคนรักษาพยัญชนะมานี่เลยเนี่ยโอ้โหอาตมาต้องขอบพระคุณยิ่งจริงๆเลยรักษาพวกนี้ไม่ เพี้ยนไปตามอะไรอนุโลมไปหมดเป็นอาจาริยวาทไปใครจะพูดยังไงก็ รวบรวมกันแล้วมันก็คุมได้มันจะ <c oughs> นะอาตมาเริ่มบุญคืออะไรชัดๆด้วยคำว่าบุญนิยมแล้วเราก็มา ปุณนาติกนโนธรรมดานี่แหละปอปราสระอุนโนสระสันตานังสันตานสันตานะอานังตานะสันตานังปุณนาติวิโสเทติเป็น มันก็ค่อยๆมาศึกษากันแล้วก็จะสร้างลัทธิบุญเรียกว่าบุญนิยมเพราะ ติ๊ดจะตรงกับการๆนานาจะภาษาๆหยาบกลางละเอียด B W O N นะ N I yom เลยบุญนิยมทับศัพท์หรือบุญอิซึมนะเลยทับศัพท์เอาอิซึมเราไม่งั้นกับบุญนิยมทับศัพท์ไปเลยมันไม่มีภาษา อาตมาก็เลยเอาคําค่อยๆไปๆอธิบายๆไปเรื่อยๆ7 วันเช้าเย็น ตั้งใจฟังดีๆฟังที่มีใหม่มั้ยอ่าโอ้อันนี้เป็นมุมเออเนี่ยได้รับ นะไอ้ที่อย่างได้เข้าใจ ความเพ็ญก็ถูกต้องตรงขึ้นทิศทิงอุจจังกโรติทําความเพ็ญ <c oughs> Loma, ja, Claa.